ยมามกะาสูตรนี่ก็เป็นสูตรที่ยาวอ่ะนะก็คงเป็นมันหลังอันนี้มีใครจะอะไรมาสนธนาไหมได้ไหมประโยคที่ว่าจงปลื้มใจแหละ อ๋อภูมิภาคใช่ไหมอ๋อภูมิภาคที่อันราบเรื่อนนี่แลเป็นชื่อแห่งประนิพพานเนี่ยไนที่ที่ไหนที่เรากรรมัตถุปตสมาที่ทถ้ก็อุสจุลมไก็เมื่อกี้เราเมื่อกี้ดูในทีคณิกายหมั่นนะที่ที่วิสุทธิที่ในทีคณิกายอัตถกถาสังขีติสูตรนะ หน้า286อยแแต่กระถามหมวด3เจนพามหมวด3หนสองร้อยแปดสิบกก็คที่ไหนที่กล่าวไว้ว่ามีกรรเมตตาได้รวมเอาฌานะสัมมาทิฏฐิเข้าไปด้วย ซึ่งก็ก็ถูกต้องแต่ในนี้ของประมวลมานะเมื่อกี้เพราะว่ า, าปกติเนี่ยที่อื่นจะขึ้นสัมมาทิฏฐิห้าคือกรรมสกตาฌานวิปัสนามัคผนแต่ตรงนี้ยกกรรมสกตาสัจจานุโลมมัคผนก็ฉะนั้นตัว แล้วก็ขยายว่ากรร ม, มสกตาคือสุดจริตสาอันสุจริตสาก็อมถึงถึง ส, สมาธิถึงฌานอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าไม่อะหน้าพิ ช, ชานี่จเจริญให้ถูกต้องก็ถึงฌานอัพยาปาทะเจริญก็ถึงฌานเนี่ยนะอันตัวสมาธิฏิก็มาแยกเป็นสัจจานุโล ม, มิกยายนถ้าเป็นเอาชั้นสูงไปเลยเนี่ยก็ขยายต่อเป็นสัจจานุโล ม, มิกยายนต่อไปอีก ในเจตสิกษษษสีนี้ก็ไปสังวรสีก็ไปเกี่ยวโยงกับในสมาธิสมาธิเกี่ยวโยงกับในในปัญญาขั้นต้น <c oughs> โดยปกติธรรมดาแล้วนะทวารที่เรารับโดยมากคือทวารไหน นะ ท, ทั่วไปก็เป็นทวารยกที่คุ้นเคยคือทวารตาเนี่ยนะใช้คำว่าทวาร น, นี้แปลว่าประตูแสดงว่ามีการเข้าออกใช่ตัวที่เข้าออกจากทวา น, นี้คือตรงเลยคือปัญจะหรือชื่อตรงๆเรียกว่าจักขุทวารวิถีเนี่ยนะที่ว่ารวมๆก็ชวนะเกิดขึ้นเจ็ดดวง แล้วก็ผวังพอผวังก็จะต่อด้วยโมทวานวิถีแล้วมโนทวาลวิถีอันนี้ที่ตามมานะถ้าตามมาเช่นพิจารณารูปที่เห็นอยู่เไเช่นว่าเช่นลืมตาเห็นผู้การเห็นก็จะต่อด้วยเรียกว่ามโนทวานที่เรียกว่าตะานุ นะตรนุวัติกาเนี่ยนะนะก็แปลรวมรวมว่ามโนทวารที่คิดตามจากครูทวารอันนั้นะนะคือคิดตามที่เห็น่ะนะนะคิดตามที่เห็นก็มาคิดว่าคิดว่าอะไรคิดโดยสีโดยสันฐานโดยการประมวลโดยรวมๆอะ่ะแล้วชื่อเป็นต้นแต่ถ้าชำนาญแล้วก็อาจจะแวบเดียวก็เสร็จละที่ตามมาคือสุทธะ สุดท่าเนี่ยมันจะคิดอะไรต่อไปคือพอเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วจะคิดอะไรต่อไปก็ได้แต่นี้ในคำสอนก็คือสอนให้มาคิดอะไรไตรสิกขาเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาเนี่ยนั้นจากการเห็นเนี่ยที่เป็นทวารให้เกิดความความรู้หรือความคิดที่ติดตามมา ตลอดจนถึงการเจริญสมถะและวิปั ส, สนาเนี่ยนะถ้าเราบำเพ็ญหรือเจริญไอไอตัวไตรศิกขาอันนี้ไม่ได้เราก็น่าหน้าเสียดายมากเลยนะหน้าเสียดายมากถามว่าหน้าเสียดายยังไงเสียดายว่าตัวทวารเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงตัวทวารก่อนนะตัวตาเองอะที่ได้มาจากผลของบุญแล้วตัวเนี่ยเป็นอ่าตัวมโนทวารเหล่าเนี่ จะล่วงมาทําทําวินยัตถ้าทําวินัตรเรียกว่ากายวินยัตอย่างหนึ่งถ้าพูดก็เป็นวจีวินยัตถ้าไม่ไม่ออกมาทางกายวาจาก็นึกอยู่ทวารใจกายวินัตกับวจีวินัตอันนั้นะเป็นทวารของศีลตรงๆเลยนะถ้าจะผิดก็ผิดตรงนี้แต่ถ้าไม่ผิดตัวสมถาวิปัสนาเนี่อล่วงมาทางทวารกายได้ไหมได้ นะสมถะวิปนะัสนาณะล่วงมาทวารกายทวารวาจาได้หมดแต่ตัวสมุทฐานยิงๆอยู่ในมโนทวารเนี่ยนะมโนทวารเพราะการเจริญไตรสิกขามาล่วงมาทางกายยัทวานก็ได้ล่วงมาทางวจีทวารก็ได้หรือนึกคิดอยู่ในมโนทวานก็ได้แต่ถ้าไม่ฝึกทวานสามเหล่านี้ล่ะไม่ฝึกกายไม่ฝึกวาจาและไม่ฝึกจิตที่ให้มันเป็นไปตามไตรสิกขานี่ก็ ประโยชน์ในชาตินี้เราแทบไม่ได้อะไรเท่าไรเลยเพราะตัวสาระจริงๆนะีคือเนี่ยศีลและสาระจิตอ่ะนะศีลเนี่ยเป็นสาระสมาธิเป็นสาระปัญญานี่เป็นสาระนีการบาเพ็ญสาระเหล่านี้เพื่อวิมุติสาระเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี้คือสาระในพรสาสนานี้ทีนี้การที่จะอ่าเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะจะบเาเพ็ญไตรสิกขาได้ยังไงอ่ะ นั่นแหละอาศัยการการฟังทีนี้การฟังที่ดีที่ที่เป็นจริงก็คือฟังแล้วก็จำได้แล้วเอามาเจริญตามได้เนี่ยนะอย่างน้อยก็ในขันทวารวักน่าจะจำได้สักสักสูตรหนึ่งเอาไว้ไปคิดก็ยังดีนะเมื่อเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดถึงสูตรนั้นเอาไว้เลยเนี่ยนะเอาคัจฉนียะสูตรก็ได้เนี่ยนะหรือสูตรไหนดีนรูเคอยู่ นะนะถูกกินอีกแล้วว่างั้นไงคัชนียาก็นึกแบบจำนวนไทยๆบอกขนมว่างั้นเถอะรูปบางทีมันแทะจะคิวหมดเลย <c oughs> คนเมีอายุ ด, ดูเลฮะเลยต้องเขียนขึ้นมาแทน <c oughs> ถูกรูปกินกินหมดแล้วกินไม่เหลือแล้วกินข้างในเข้าข้างนอกบางกินข้างนอกเข้าไปข้างในบ้างกินหมดเลยกินฟันผมไปเยอะเหมือนกัน <c oughs> กินไปจนผูหมดอ่ะมันกินกันเองได้นะขันทาเนี่ยอุสาเลี้ยงดูมันอย่างดีเลยเนะี่ยมันน่าจะน่าจะซื่อสัตว์บ้างะนะไม่ใช่เลยสอ๋อได้ ได้แว่าบางนนบางนนบางพวกนนบางพวกนะขีดความสา ม, มารถเขาจะแตกต่างกันนึกว่าปัญจทวารวิถีเนี่ยบางพวกนี่ชาวนะเป็นอกุศล น, น, นะนะถือว่าหนึ่งวิถีทีนี้มโนทวารวิถีเนี่ยแบ่งออกเป็นหนึ่งสองสาม น, นะก็บางคนก็เป็นอกุศลทีนี้อันนี้สมมติอันนี้เป็นทวารที่สี่ บางพวกนี้เห็นเนี่ยอกุศลไม่เกิดเลยบางพวกนี้เกิดหนึ่งวิถีบางพวกเกิดสองถึงสามวิถีเนี่ยนะสอ ง, องสามสี่วิถีเนี่ยและแก้ได้เขาบอกว่าพวกที่ไม่ให้อากุศลเกิดเลยถือว่าเก่งที่สุดพวกที่อากุศลเกิดหนึ่งวิถีและแก้ได้พวกนี้ก็ถือว่าความชำนาญใช้ได้ ส่วนพวกที่ปล่อยให้เกิดตั้งหลายวิถีพวกนี้ก็เรียกว่าอ่อนมากท่านเชื่อหมครับล้าปล่อยให้เกิด อ, อยู่เป็นวันๆ น, นะัแล้วจึงจะมาสุทธะมโนทวาวิธีสักทีนึงเนเพิ่งมานึกถึงไตรสิกขาสักคำนนนนนนกานก็ยังดีครับยังดีครับเจริญพรก็ที่เหลือก็ให้ไปเจริญการุณาให้ตัวเองให้มากๆเนี่ยนะเออเออนะาะทเหตุแห่งความทุกข์ไว้อีกแล้วเนาะเอนกัน เพราะฉะนั้นเรานี่มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะมีทุกอย่างลงแล้วถ้าเกิดก็ปฏิสนธิทุกอีกแล้วงนะั้นก็ก็คือหน้าเจริญการุณาให้ตัวเองให้มากๆกว่างั้นเถอะเพราะว่าอันนั้นแหละจะทำให้เกิดความเพียรมากขึ้นนะนะเพราะว่าสงสารตัวเองที่จะต้องทุกในภายภาคหน้าอี ก, ก น, นะ